น้อยให้มันลูกเรื่องกายเวทนานี่นมันกับเข้าไปถึงจิตเวทนาเองเพราะมันเป็นสื่อต่อกันไปหน่อยแ ย, แยกแยกดิเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรก็เขียนไว้แล้วในธรรมะนั่นเคยได้อ่านเต่าปฏิปทาองประกำมขานาระธรรมมั่นเคยจะอ่านต่อเรื่องพิจารณาพิจารณาเรื่องเวทนาผมอธิบายไว้เพียงเอกเทศ เ, เวทนามันเป็นเวทนากายรู้สักแต่ว่ากายเนี่ยท่านก็บอกว่าชัดๆ ไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อเข้าใจแล้วนะมันเป็นความจริงอย่างนั้นแท้มันเจียวที่ตรงไหนเจียวไที่กระดูกตรงนี้หัวเข่าหรือกาหนดดูหัวเข่านี่เอาไม่ให้มันไปไหนแล้วคิดอ่ะเอาเข่านี่ตรงตรงนี้เอาเอาเอาตัวไหนเป็นตัวทุกข์ไรมันเข้าไปหนังหรือเป็นทุกข์ถ้าหนังเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมยังมีอยู่น่ะมันเปนเดียวกันทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปพร้อมกันที่ เนื้อเป็นทุกข์พอเนื้อเป็นทุกข์เวลาทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อมันยังมีอยู่นี่เวลาทุกข์เกิดเนื้อก็มีอยู่เวลาทุกข์ดับไปแล้วเนื้อมันทำไมไม่ดับไปด้วยเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเนื้อนี่มีมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นเดียวกันได้ยังไงเอ็นกระดูกมันก็เหมือนกันกําหนดว่าอะไรแล้วให้ดูอันนั้นพร้อมเทียบเคียงกับทุกขเวทนานั้นมันเป็นอนเดียวกันไหมกําหนดดูกระดูกให้เห็นชัดเจนฑ์ในกระดูกดูเวทนาอีกชัดในเวนา มันเป็นเดียวกันไหมดูมันก็เพียงเท่านั้นแล้วมันก็ย้อนหาจิตอีกหรือจิตนี้ได้เป็นทุกข์ถ้าว่จิตเป็นทุกข์ทุกประเภท น, นี้พึ่งดับพึ่งเกิดขึ้นมานี่ทำไมจิตยังมีอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมทําไมไม่เห็นมีทุกประเภท น, นี้ติดตัวมาแสดงอย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนปัจจนี้แล้วเวลาทุกวันนี้ดับไปเช่นเรานั่งมากเรานั่งนาน มันทุกข <as> ์ึ้นมาเจ็บนั่นปวดนี้แล้วเวลาทุกข์เดาไปทำไมใจมีอยู่ธรรมจิตกับทุกข์เป็นเดียวกันว่าใจก็ให้กําหนดดูรู้ตัวรู้นั้นว่าทุกข์กำหนดดูตัวทุกข์ดูชัดเจนแยกแยกกันอยู่นั้นไม่ยอมมันนี้ไปไหนเราหาความจริงสอบมันอยู่นั้นพิจารณาสังเกตมันทุกข์กับทุกข์ออกขนาดไหนให้มันรู้เราอยากอยากอยากให้ทุกข์หายนะอยากให้ทุกข์หายโอ้ก็กำเริบใหญ่เลย นี่นพิจารณาอย่างนั้นนะโหอ้ยยังไม่ลืมนะโหเราเข้าสงครามนี่นี่ขวดญตะวันยังไม่ตกบางวันจนกรทั่งตะวันโถงจริงจริงถอยไม่ได้ว่างั้นนี่เอาเอาเถอะบงังยกมือสาธุด้วยนะทั้งสจัจจะอิฐานเลยนะบางบางวันยังไม่ดีที่เราจะนั่งตลอดลุ่มนะ นั่งเขาจะนั่งธรรมดาที่พอทุกโหมตัวมาโหนงตัวมาเอ๊ะมันยังไงกันนี่เหรอเอาละนักทิศนะตั้งท่าสู้กันเอาถ้าอาอาวันนี้เอาเอาว่ามันเตือนจริงๆในจิตผมนะว่าเอาเอาเอาจริงๆนะมันเป็นหินหักก็เลยต่อไม่ได้มันจะถึงไหนวะมันไม่เลยตายนะเอาวันนี้เอาพิจารณาถึงตายไม่ถึงตายสว่างเป็นดั่งน้อยสว่างเป็นวันใหม่ถึงจะลูกจากนี่ออกรงเวทีได้บุญอะไร ขุดค้นกันลงไปอย่างโถไหนเป็น ท, ทุกเป็นอะไรดูมันเก็บที่ตรงไหนมากเอาองนั้นแ่ะเป็นสนามโลกสถิปัญญาทอย่างเราตรงนั้นขุดค้นอยตรงนั้นเทียบเคียงทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอง็นทั้งกระดูกใส่กับทุกเป็นยังไงมันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วแยกมาถึงกิจจรินเป็นประเภทเดียวกันไหมแยกไปแยกมาเขาแบบถอดชัดเขากินก็นหมุนติ๋วที่เดียวพอรู้ชัดเท่านั้นต่างอันต่างจริง หนึ่งทุกหายเงียบไปเลยจิตแน่าทุกหายเงียบหมดเหมือนก็ว่าโลกประธาดับหมดเลยแลย้วแต่ความรู้ที่อัศจรรย์แน่วสักแต่ว่านั้นเราจะไปพูดว่านี่คือความรู้ไม่ได้นะคือมันละเอียดขนาดนั้นแ่ะสักแต่ว่ารู้แต่ว่าอาัศจรรย์อยู่ตรงที่วัดสักนรินะเราจะพูดออกมานี่มันพูดออกยากนะแต่ว่าที่มันประจักษ์นั้นมันพูดไม่ถูก มันพูดได้แต่ว่าัอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยรู้เห็นได้เห็นซะแล้วในความอัศจรรย์เพราะการพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นี้แน่เด่นเงียบเหมือนโลกธาตุดักนันหนึ่งอันนั่นะมันเป็นสองอย่างนะพ่เอเมีอย่างหนึ่งนั้น พอแยกกันได้เต็มจัดเต็มส่วนชัดเจนพายในใจหาสงสัยไม่มีทางสงสัยได้เรื่องเวทนากับกิจเป็นอันเดียวกันหรือไม่กายเหล่านี้ก็เวทนาเป็นเดียวกันไมันต่างอันต่างจริงเนาะต่างอันต่างอยู่ไม่กระทบกันนี่ทุกเวทนามันจะขนาดไหนมันก็ไม่ทำกิจให้เอ็นไปได้เลยยิ้มได้อยู่ตลอดนั่นถ้าจะยิ้มนะคือมันไม่สามารถเข้าถึงกิจได้เลยแต่ที่นี่ทุกอันนั้นมันก็ไม่กําเริบต่อไปมันอยู่แค่นั้นล่ะอย่างหนึ่งสงบไป มีสองอย่างเอย่างไหนก็ตามแต่พอข้าดูลงจิตได้เห็นเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตต้องเยี่ยมทั้งด้วยกันทั้งนั้นแหะจิตอันนี้ก็เยี่ยมอยู่นี่ถึงมันถึงร่างกายไม่ดับอะไรต่างอันนี้ก็เยี่ยมหของไอ้ท่า น, นแหละนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาดังนั้นเราอย า, อยากอยากอยากให้มันหายนะทุกไม่ได้นะคือให้รู้ความจริงนี่พิจารณาให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนี่ว่าอะไรมันจริงแค่ผู้เดียวว่าสัตว์จะทำถูกขังเนี่ยจำเป็น เป็นของจริงนะมันเป็นไรมันกิงแค่ไหนแยกกันจนตลบทบถวนไม่รู้กี่ครั้งกี่คนนะมันยิ่งรวดยิ่งเร็วเลยขณะทูกบีบเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้ไนะกิกนะมันอยู่ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะ่ะอืมเราจะทนโดยเฉยนี่ไม่จับว่าเป็นนักลอกทนเขาต่อยเขาต่อยู่ต้องต่อสู้นี่ตอนนั้นตอนมันปัญญามันหมุนตึงกล้าพูดด้วยว่าคนเรามันงงอยู่ตลอดไปนะ ถึงเราจนกรอกจนมุงแล้วมันทั่วตัวเองจนได้นะปัญญามันเกิดขึ้นเอง่ะมันฉลาดเองนะ่ะเพอเห็นเหตุของอย่งพู ด, ด, ด, อ, ดอย่างนั้นไม่ได้อวดมันเป็นแน่อย่างนั้นคนเราไม่ไดกโง่ตลอดไปนะม่รู้อย่างชัดบอกอย่างนั้นมันยังค้าทายเรื่องความตายมันโหเวลามันหันหานในขณะนั้นหารโอ้เวลาตายไม่เจอเลยจะา น, านานไหนไหอกเราวะา กเวทนาหน้านี้นี่เราได้เห็นหน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครบทวนหมดแล้วนี่มันจะเอาทุกเวทนาไปหลอกเราเวลาตายมันจะเอาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะถ้าไม่ใช่ทุกเวทนาหน้าที่กำพิจารณากันรู่หน้ารู่ตาลู่ตากันอยู่นี่จะเป็นหน้าไหนวะแล้วแยกลงไปจนกระทั่งถึงว่ามันตายอะไรมันตายมันแยกไปแยกไปดินก็กระจายไปแล้วก็ดินก็เป็นดินน้าก็เป็นน้าไปตามเดิม ตามขั้นของพิจารณาตามการที่ารณาของเรานั้นดินไอ้ส่วนที่น้ำมันชุ่มชื้นในร้างกลายของเรานี่อันที่มันชุ่มชา้นลงไปในดินก็มีมันเป็นไอเป็นอากาศไปพวกนี้แล้วมันกนแ็แห้งไปแห้งไปแห้งไปแห้งไปกลายเป็นดินคูอมัไปเป็นดินไปเลยนี่ส่วนธาตดินน้ำเป็นน้ำถงลง่มเป็นลงท่าไฟเป็นไฟใจมันยิ่งเด่นที่นี่อือะไรมันดับไม่ได้มันตาย ดินไปดินน้ำมันน้ําลมไปลมไปมันไม่เห็นตายมันมันหลอกกันนี่นะว้าโอ้เราเชื่อเขาหลอกมาตะกับตั้งกัดเชื่อจิตเหลดหลอกเราตายทัวตายอะไรไม่เห็นนี่อะไรตายจิตยิ่งรู้ยิ่งเด่นในเวลานั้นมันจะตายได้ยังไงมันยิ่งเด่นทั้งวันโอ้โกหกกันมันรู้ได้ชัดโันพูดดังอาหาร พระแมหูยานไ่กลัวท่านจะตายแต่ก่อนพอภาวนาเราไม่เป็นพอภาวนามันเป็นอย่างนี้แล้วโถวมันอยากจะเล่าถวายท่านให้ท่านช่วยอะไรต่ออะไรที่จะช่วยอะไมันจะมีกําลังมากยิ่งกว่านี้วิเศษวิโสมากยิ่งกว่าที่ทนายเป็นที่พอใจเราขึ้นถึงท่านปังเลยโอ๊ยเล่าถวายได้อย่างจะฉานกันนะม <c oughs> ท่านก็มันต้องอย่างนั่นเลยเดียท่านอยู <c oughs> ่หมาเคือเราก็เอาหมาตัวนึ่ว่างั้นเลยนะ มันต้องอย่างนั้นสิมันิ่เรียกว่า น, นักสู้วะ่ะเอออดันผ่านมันได้ตายถึงห้าหนมันตายหัเดียวเท่านั้นนะเอาฟาดมันลงไปผมวะ่ะอย่างนี้เรียกนักสู้นั่ยกตัวอย่างขนาดพระพุทธเจ้าสลบถึงสามหัวนี่หมว่ว่ะอันนี้เราจะสลบไห้เนี่ยเท่าขี้ผงพุทธเจ้าไงวะอ๋ออาลัสที่นี่ได้หลักแล้ว น, น, น, นั่นท่านมันทํำทีนะเอาได้หลักแล้วที่นี่แน่แล้วเอาฟาดลงไปในนะ่นะ โอ้ยนีททยนย่ทั้งจะกัดจะเห่าเราเหมเหอือนหมาตัวหนึ่งความรันอยุ่งันทั้งจะกัดจะเขาเห่าลงเห่าแล้วไปไม่มี เ, เลยเห่าเรื่อยฟาดกันลงเรื่อยคืนไหนก็คืนนั่นนะเราไม่เคยพ่านนะเพราะคืนอเอาเป็นเอาตายาจริงจมันพ่านได้ยังไงกินมันจะเปเพี้ยนพลาดได้หรือลงสลับเป็นสลับตายเรีวยกว่ามันกองทุกข์จริงจริ ง, รงนี่ บ, บังคับทั้งจิตไม่ยอมเพรมันคิดไปเรื่องใดเลยนอกจากในวงเศรษฐธรรมนี้เท่านั้นในคืนนี้จะไม่มีอะไรนะฮะจิตไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนอกจากท่านยืนในวงเศรษฐธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกตั้งมาหนี้เราตั้งสัจจังไปถึงเป็นถึงตายจยถึงตลอดรุ่งเอาตายสู้เพื่อเพื่อธรรมเท่านั้นจิตจะเปเพื่ อ, พอ น, นพันๆไม่ได้เนี่ยนี่เดี๋มันกองทุกขอันหนึ่งบังคับจากนั้นกัตุเกเวตนาเกิดขึ้นเหมืนโอ้ยขั้นหนำหมนเลย นตนะั้งตั้งติดเราก็เคยได้ไนงะเราจะอุบายเก่ามาพิจารณาไม่ได้นะอืมันเหมือนกับว่าต้องถิตขึ้นมาใหม่สติปัญญาจะเอาปัญญาเก่าที่เคยได้อุบายแ ล, ล้วระงับดับทุกเวทนานไปได้แล้วรู้แจ้งเห็นจริงในทุกเวทนานได้ด้วยอุบายเก่านั้นเป็นไม่ได้สําหรับผมเองไม่ว่าใครก็ตามเถิดมันเป็นสัญญามันไม่ใช่เป็นภาพปฏิบัติที่รู้ไปจากถิดขึ้นในขนาดนั้น มันจะไปตรงของเก่าก็ตามแต่ขอให้มันเป็นใหม่เอี่ยมคือว่ามันทันกันในเวลานั้นสดสดร้อนๆถ้าเราวาคานี้เราเคยพิจารณาแล้วของนั้นเป็นอดีตแล้วเป็นปริยัตเอามาใช้งานให้ได้ต้องผลิดขึ้นมาใหม่เคิขึ้นมาใหม่มหมยังนั่นเหรอหมุนติวติวติ ว, วพอมันรอบมันเต็มที่แล้วมันก็โอ้ตัวกค็คยพิารณาหยบไป บางคืนมาตั้งนานนะมันไม่ใช่ได้อย่างใจหวังทุกครั้งไปนะอากาศเป็นสำคัญตลอดการพิจารณาตอนนะั้นนั่งตลอดลุ่มให้ฝนพรมทั้งคืนนะโอ้ยเหมาะที่สุดเลยนะหน้าหนาวมันก็เป็นอีกอย่างมันมเหมือนหน้าฝนว่ะฝนพรำลงนั่นแหละพิจนารณาเนะี่โอ้ย มันช่วยอุตุสภายะอันช่วยเมื่อกียาเหมือมนกับจิตนี่เหมือนกันกันกนกบค ม, เมกเกับคิมปากคมๆมิหล่าหนีป้าปิดป้าปิดป้าติดปา้ปาเไม่นานนะแล้วก็พุ่งเลยลงได้พอถอนขึ้นมาแล้วกทุกเวชนาเริ่มเกิดขึ้นบ้าง้าดสันดีลองอีกลองอีกตลอดลุ่งลุกไปได้เลยเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดาสามสี่ชั่วโมงปกติคือผมนั่งภาวนา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 นานสามสี่ชั่วโมงนี้ยังไม่เห็นปรากฏห้าชั่วโมงอ่านั่นเริ่มแะที่นี่ที่นี่หมายถึงว่าเราเคยนั่งนะแต่ตะก่อนที่ยังไม่เคยนั่งโอ้ยนั่งเพียงชั่วโมงเดียวสองชั่วยังจะยังไม่ถึงสองชั่วโมงก็จะร้องไห้หาพ่อหาแม่ <c oughs> ทุกเมตนาบีหัวมันเ <c oughs> นี่ยร่ลลางกายนี้แหละความเคจชินไม่เคยจริ ง, จจรงนี่เวลาเรานั่งภาวนาตลอดลูกมันไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างใจทุกคืนไปนะบางคืนตั้งหกทุ่มยังลงกันไม่ได้ก็มี โอ้โหวันดังนัง้นนุ่มมันบอกช้ามากทีเดียวนะมันหนลงจงล ง, ลงตมันึงมันลงยากลงง่ายลงเดึกถึงได้ก็มีแต่เรื่องลงงั้นลงได้ทุกคืนไม่พลาดอะ่ะบางคืนมันเริ่มตั้งแต่ว่าค่ําพอเข้าที่ไปทีจนาแล้วนั่งไปสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองอนะ่ะมันใส่กันป๋งลงได้เลยแต่นั้นไม่ยากพัดถอนขึ้นมาอีกที่นา อ, อลงอีก ไอ้ต่อนม่ต่อกัสสว่างถึงสว่างแล้วมันยังไม่อยากออกนะมันยังเค้นมันอยู่จนนี่เราเกี่ยวเพาเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนทางว่าพออยู่เริ่อพังวก็มีโอ้จะเอาสักกี่อีกกี่ชั่วโมงแล้วมันจะตะวันโผล่ขึ้นมาบนฟ้าน่ะมันยังจะไปมันอีกอันนี้ในระยะที่ผมนั่งตลอดลุงมันก็อยู่กับหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์บรรณมนึงเวลาก็ต้องออกต้องสั้งสิดเสียดายมันยังไม่อยากออกน่ะนั่นนะคิดดูที่นั่งตั้งโน้นมาจนกรทั่งถึง เวลาจะบินสบายแล้วมันยังไม่อยากจะออกมันไม่มีเรื่องเพลิน ม, มันจะเป็นอย่างนั้นเหรือพี่นาวสิลุกผึงเลยถ้าวันไหนมันลงในง่ายนะถ้าวันไหนลงไม่ในง่ายนี่โอ้โหไม่ได้นะ <c oughs> เวลาไม่สําคัญสําคัญที่จิตที่ลงในง่ายนงง่ายเท่านั้นแหละจะทําให้ร่างกายชอบท้ำนะเวลาเท่ากันความบอบท้าต่างกันมากยังไงก็ตามอย่าลืมว่าอยาอยากให้เวทนาหายนะอฮม ยาเท่าไรยิ่งเพิ่มเพราะคำอยากเป็นปัญหาเป็นกิเลสเซลบกิเลสไม่ต้องหาหาไม่หายไม่ต้องว่าเอทุกเวทนาเราจะขอรู้คําจริงของทุกเวทนานี้เท่านั้นขุดกันลงไปพอมันรู้แล้วมันก็ดับปจริงในชีวิตของผมีกับพรรษานั้นแนละ้วแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังไม่เขา้าพรรษานู้นนั่งตลอดลุงมาต้องเดินพื่สภาขณะตอนทิ่กีดมัน จเจริญเสจริญ เ, เสือนครพรมไปได้เดือนเมษานนหนัะมันได้ที่พอเดือนพฤษภาก็ขันํำกันเลยเนี่ยพูดถึงเ่งการนัหผมร่างกายนี่ทั้งสาที่สิบเนี่ยผมหักผมมากที่สุดในชีวิตอย่างนักบวชพอนั่งตลอดลุงตลอดลุงโอ้หมันสิบกว่าคืนเรื่นนะเรื่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเจ็ดคืนบ้าง พลาดมันจนพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนผดีงผดีงมันทิ้งในรดนะไม่งั้นมันยังเจ้าอีกท่านท่านไม่ได้บอกกงุงท่านผดีงผดีงเพราก็้องเห็นนิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้นิสัยผาดโผนเดี๋ยวพอไปเตรียม น, นั่งแล้วนันมันจะอ่อนอแอไปกุค้งคิดไปอย่นั้นกู้เตือนต้องฉลาดนี่ไม่ฉลาดกว่าอะไรเลยกู้เตือน ความเพียรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายหงโหมร่างกายมีพันสาสิทะมันก็ตั้งได้ปีนั้นตั้งได้พันสาสิทที่ไม่เสื่อมเลืออ่อยมาเลยนะมันเครียดแค้นในเของเหตุที่มันจะเอาหนักเอาหนานะเครียดแค้นจริงๆนะป้าคนในจิตจริงๆถึงขนาดที่ว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปจะเสื่อมมาได้ถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันเลยหุ่นหน่วยฟังสิถ้าเสื่อมต้องตายตายไปพร้อมกันจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้นอกจากตายพร้อมกันเท่านั้นพอเห็นโทษของความเสื่อมของจิตก็พอไมไฟในโลกอนี้มาเผาหัวใจเราคนเดียวเวลาจิตมนเสื่มมันเส อ, นเอได้ยจิตถ้าไม่เคยรู้เคเห็นอะไรจะไม่กลับ แบบต า, าสาีตาขาหากินวันณะพอคุมปากคุมช้องอดบ้างอีกบ้างมันก็ไม่เป็นไรผวกนี้ไอ้พวกที่เคยเป็นเศรษฐีมาเนี้ยจะล่มจมไปด้วยเหตุใดเหตุห น, นึ่งที่เงินอยู่ในผ่านจะเหลือเป็นแสนแสนบาทมันก็เห็นมีความหมายอะไรสำหรับเศรษฐีมีเงินนับล้านไม่ได้นี่มันต่างกันกับต า, าสีตาขาที่มีเงินเก้าบาทสิบาทด้วยสองบาทสมบาทเป็นยังไงพวกนี้เขก็อยู่ได้สบายมีเงินสองบาทสบาทเพราะตึ้งแต่พอ่อแต่ตตตตมแม่โคดแซ่เขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนมา เขจะไปทุกข์ไปเพินแต่ผู้ที่เคยมีเงินเป็ น, นล้านล้านองที่มันล่มจมได้เหตุได้เห็นหนึ่งขึ้นมานี่แม้เงินมันจะยังเหลืออยู่ในบ้านหรือในธนาคารเป็นชั้นแสงก็ตามผู้นั้นจะไม่เห็นเงินในธนาคารเงินหุ้ตัวเป็ น, นแสงแสนนั้นมีความหมายอะไรเล ย, เลยนอกจากจากะไปเสียดายในเงินจํานวนเป็น ล, นล้านล้านที่ล่มจมไปมีเท่านั้น พู้นี้จะแบกทุกข์ที่สุดเลยทุกมากจนหาจนจะเป็นบ้าหรือวงาไงนี่เราก็ทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันทุกแบบนี้แหละแต่แต่ควันยังไม่กินต้องไม่เป็นอะไรแล้วก็เห็นทุกข์อะไรธรรมดาธรรมดาเราผิตไดยรับความสงบแน่วแน่เขาเป็นลําดับลําดับจนแน่ใจจะของว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนกันแน่นผงผงมาเสื่อมตรงนี้เว่าเสื่อมมันไม่เสื่อมไม่เฉยนะเสื่อมแล้วยุ่งมัน ไม่ว่าราคาไม่ว่าตัญหาที่เด็ดประเทศใดมันยุ่งยำยุย่งยำยำเนี่ยทั้งเสียดายทั้็เสี ย, ยทั้งอันนี้เหยียบย่ำทล้ยก็เหยียบย่ำทาลายทําไมมันจะไม่ผิดทุกมากล่ะตอนมันทสงบมันไม่มีอะไรก็หม่ม เ, เหลือฟัดเหยียมันงถ้าเป็นรับตายหมดเวลาได้มาแล้วถึงเดี๋ยวพูดกับเจ้าของเลยเียวอืมไม่ได้พูดแล้วมันมันปักไว้ในกิดนี่ลน่ะ เออนี่ถ้าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมต้องตายไปด้วยกันเพอนั้นไม่มีอย่างอื่นมันยิ่งย้อนไปเชื่อนุ่นเรื่องพระโคตที่กลับที่เจริญทางเสื่อมถึงห้าหนพระโคตที่กับหนที่หเอามีดคูนมามาตัดคอเจ้าของเสียใจยรู้ว่าได้บรรลุในขนาดนั้นใช่ นี่เรื่องหนังสือนิทานตรงนี้มันรู้สึกมีสับสนเล็กน้อยไม่ค่อยแจ่มใ่ที่มันแจมก็คือว่าถ้าครที่กันนั่นจเจริญฌานเสื่อมถึงห้าครั้งครั้งที่หกเขามีโกนมาเลยก่อนจะมาตัดคอเจ้าของเสืคอมคอขาดไปเลยในหนังสือทุกท่า ในขณะนั่งรู้ะไรบรรลุภะหันในขณะนั้ น, ล น, ลาา น, น, น, นแล้วว่ามีโกลแล้วตายโดยมิโลน่ะมันมีอันหนึ่งที่ต่อไปทั้งนั้นพยามารได้มาค้นหาริ ญ, ญญาณของพระโคติกาตว่างั้นพระพุทธเจ้าได้ขู่มารว่ามารถ้าพูดถึงภาษาเราก็น้ำหน้ามึงจะมาค้นหาพระโคติกาตลูกศิษย์ท่งองราสาวก็ได้ยังไงมึงค้นหาได้แต่กับ เพรกะพวกจมในวัฏฏะเพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละนี่พระโคดีกันเราไม่ได้อยู่ในอำ น, นาจของกิเลสมึงคคนหาจะมาทั้งโคดซ่ามึงถึงวันตายมันก็ไม่เจอเราไ อ, มาอ้ม้านว่างเง น, นภาษาเรานะนี่มันมีเรื่องนี้เห็นง่ายก็ตามเราตรงนั้นที่มันมีสนับสะท้อนผมก่อนดูนั่นผมมีสนับสะท้อนผมผมก็เลยถอยมาหาตรงนี้เสียตรงที่จะเป็นคติได้ไ คือหลักจริงๆนั่นเกน่าท่านเสื่อมชานถึงจากชานทึงห้าหงคนที่หกเอามีคนมาฆ่าตัวเองก็เลยได้บรรลุธรรมในเวลานัท่านเสียใจขนาดไหนถึงจะขนาดที่มาฆ่าตัวเองนัน่นมันย้อนไปนู่นนะเพราะเราเรียนมาแล้วก่อนที่มาปฏิบัติเหตุความเสียใจเราเสียใจขนาดนั้น่เพราะฉะนั้นมันถึงได้ปักใจลงไปว่าให้ตายเท่านั้นถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายเป็นเสื่อมไม่ได้เลยเป็นอังคาดกวามอย่เ ตั้งแนั้นมามโอ้โหค่อมระวังนี่มันเป็นบทเรียนอย่างเอกนะไปไหนนี่คุ้นก็อะไรไม่ได้เลยจ่อหัวอยู่นี่เหมือนนักโทษเี่แต่มันก็ไม่เคยเสื่อมหเห็นไ ม, ไ, มไม่เสื่อมตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเสื่อมเลยตั้งได้ในปีนั้นแลันก็แน่นฝึงยิ่งแน่นยิ่งกว่าธรรมดาซะอีกกว่าที่เป็นมาแล้วอีกอป็นเสียงมันนอนเป็นในสมาธิเท่านั้นเอง มันทำนานมากจริงๆผู้สูงายุสมาธิคนจะมาโกหกยากพูดๆโกงเงียะเรื่อ ง, งมาโกหกเราเรื่องสมาธินะ่ะเพราะเรานอนตรมในสมาธิมาห้าปีเต็มๆวะ่ะหรือมีอะไรแต่ความแนวของจิตกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนนั้นเขามามาเหมือนกับคนขี้เกียจทีนี้เพราะจิตถอยออกมามากระทบนั่นกระทบนี่มันรำคาญเนี่ยเข้าปุ๊บหาเนี่ยไปหมดเลย แล้วแต่ความรุนรนล้วนแน่วนั่นอยู่เท่าไรก็อยู่ได้ถ้าไม่มีอะไรกวนมันก็สบายอยู่แค่นั้นนะนี่หมายถึงควารชานาญนะทางสมาธิเหมือนพ่อแม่โหดจามันไล่ออกเคดซับเขดหนักหนักมันต้องออกมาพิจารณาพนี่เวลาพิจารณาก็มันพร้อมแล้วนี่สมาธิเหมือ น, นเครื่องทําครัวนีมันสมบูรณ์แล้วนี่แต่ไม่ปรุงให้มันเป็นแกงมันจะเป็นได้งไง พริกก็เป็นพริกผักก็เป็นผักเนื้อเป็นเนื yeah> anyway> claro ้อปลาเป็นปลาอยู่นั่นอะไรก็เป็นอย่างนั้นอ่างันมเป็นแกงไม่ได้สิเมื่อมาผสมข้าวมันเป็นแกงประเภทใหมันเป็นไม่ได้อันนี้สมาธิจะดีขนาดไหนก็เป็นสมาธิอ่างั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงนี่เราตึงกล้าพูดอยไหมนะเออว่าเมื่อเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะไปเป็นเป็นปัญญาเองตายก็ไม่เป็นว่างี้เลยเราค้านได้อย่างจรงจังเพราะเราปฏิบัติมาแล้วเราจะติดสมาธินี่วะ ถ้าวัดตัวสมาธิมันเป็นปเป็นปัญญาได้จริงๆแล้วมันติดตายอยู่ทำไมาสมาธินั้นจนกระทั่งถึงว่านิพานคืออันนี้แหละตัวจับตัวนิพานที่ขิดตรงนี้อ่มันก็จะเอาอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นเป็นนิพานสักทีพอแม่โหจกมาเคเอาะออย่างนั้งหนังนี่ออกพิจารณานี่ก็พุ่งเลยที่นี่นั่นนี่หมายถึงว่าข้านี่มาข้าวผักมาขวพริกมาข้าวนั้นมาใส่หม้อในปุ๋ม ป, ปังมึงปังขึ้นมามันก็เป็นแกงขึ้นทันทีในเดี๋ยวนั้นเพราะมันพร้อมอยู่แล้วดีดีอยู่รอบข้างนี่เป็นแสดงว่าไม่หยิบเข้าาม ปุงอาหารเท่านั้นเองสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกทางด้านปัญญาก็ากิตมันไม่หิวโหยกิตเป็นสมาธิมันไม่ได้หิวพิจารณาอะไรมันก็ไม่ทะเลาถลหลมันอิ่มตัวของมันแล้วพาพิจารณามันก็ทําหน้าที่มันถึงถึงถึงไปเลยดีดถึงถึงที่นีความรู้ที่ออกจากทางด้านปัญญามันไม่เหมือนกับความรู้ทํำสมาธินี่มันรู้ตรงไหนมันแยบคายมันแยบคลายทิ่เลียดขาดไปเป็นว่าเป็นตรีแล้วเอ๊ะชอบคนชอบคนนะที่มีเอาแล้วนที่น่ะเพราะว่าอ้ชอบคนเชอาคน มันก็โดดถึงในปัญญาเีงเอาซะจนทั้งนอนไม่ได้นันมันไม่พอดีนะผมนะ่ะกลางวันก็นอนไม่ไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็นอนไม่ได้ตัวจะตายเหนื่อยเข้าใจจิตกับความเพียนไม่ยอมถอยกันนั่นทางประาบเรียนแล้นี่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ได้พิจารณาเรื่องปัญญาที่มันมันออกนะเรนั้นพิจารณาได บางคนืนนอนไม่หลับนี่ไม่หลับมาสองสามคืนนั่นนะมันลงสังขารตัวนะั่นอะไรนะท่านใส่พวกอะไรที่นี่ท่านไม่ใส่ธรรมดานะทำไมาพี่ยาก็ไม่รู้เอาเ อ, าเอาี้ยนั่นนี่ยบ้าสังขารบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารห <c oughs> นักก็ใส่ที่นี่มูอเขาไม่ขึ้นนะความนี้นะ่หมอเนี่ยคงถู่วคงตั้นแหละแต่มันยังไม่ถอยนะเรื่องตัวของเราเนี่ยังเอาอีอ่นี่นั่นแหละจะไม่ทัามันจะตายจริงลงาา้างเข้ามาบังคับเข้ามาสู่สมาธิ เวลานั้นเหมือนสมาธิไม่มีเลยคือมันหมุนติ่วติ่วเหมันความจริงกับสมาธิมันก็มีไม่มีได้ยังไงสมาธิแบบพุทธกวนนอนตายมันไม่มีมีแต่สมาธิแบบปัญญาครอบหวัวมันอยู่นี่หมุนอยู่นี่มันไม่เบิสนใจกับอะไรเีสนใจกับกิเลสประเภทใดที่มัเกี่ยวข้องตัวพันธ์นั้นมันเห็นได้ชาตดโดยปัญญามันฟา ก, กันเวลาผมไปตายจริงเ ห, น, หนื่อยมากแนละ้วก็ล้างขึ้นมา บังคับก็ามาสู่สมาธิเอาพุทโธบริกรรมนะะปล่อยไม่ได้ปล่อยพุทท่งแรงงานนี่เลยพุทโธพุทโธพุทโธถีบลงไปบังคับมปใมันออกคือมันมันจะออกหา ง, งานนี้ไม่ออกปัญหอะไร น, นะนออกหา ง, งานนี่อันนี้มันทําไม่เสร็จคําว่าแพ้มันไม่ยอมให้มีนี่มันแต่ชนะชนะไม่ชนะอายตา ย, ตา ย, ตายช น, นั้นเ่ง พุทโธพุทโธพุเยบไม่เห็นมีช่องออกไปเลยบางคำมีจิตมันก็ค่อยสงบกลวงไปสงบลงไปแนวโอ้โหที่นี่มันกำลังวางชาเหมือนทางสารตัวหนึ่งนะสบายบอกไม่ถูกที่นี่นะพราะมันปล่อยงานจริงจิงมันเข้าสู่สมาธิแล้วมันปล่อยงานหมดเลยที่นี่นะแนวลงไปเหมือนกับถอดเชี่ยนถอดน้ำที่นี่นะ นี่เรียกว่าสมาธิบำรุงปัญญาสมาธิเป็นเรือนพักของปัญญาเป็นเรือนพักของคนทำงานนั่นผิดที่ตรงไหนสมาธิไม่เดินไปตามกันไม่ได้ว่างั้นเลยมีแต่ปัญญาท่าเดียวไปไม่ไปไม่ไหวตายเพราะนั่นสมาธิกับปัญญาจริงเป็นคู่เคียงกงันไปตลอด เวลามันจะเป็นจะตางจริงมันไปไม่รอดแต่แแก็เห็นอย่างเรานี่นเงมันยังเข้าบังคับเข้ามาสู่สมาธิพอเข้าสมาธิแล้วมันสบายมันก็เห็นชัดพอถอยออกจากสมาธิ่ะนั้นนะมันถึงจะเลยังานที่นี่นะทีนี้มันก็เทียบกับคนที่ได้รับทานอาหารเรียบร้อยแล้วพักผ่อนนอนหลับสบายแล้วมีดนี่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วเอาที่นี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละที่ฟันนี่ขาดถึงเลยที่นี่นะหนัก มันเป็นเพราะเหลุไตั้งแต่ก่อนฟันตุบตุบตุบตบไม่ทราบเอาทางสันทางคมลงใส่ยุ๊ตับตับไม่มีวันขาดแต่ถ้าจะให้มันขาดมันกขยันฟันอย่างเยวเจะาของจะตายไม่ทำนี่พอออกไปคราวนี้ไม้ท่อด น, นั้นแหละชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละฟาดลงไปขาดถึงเลยนี่พลังของสมาธิมันหนุนปัญญาอย่างนี้เองเห็นชัดๆนี่วะอือพอมีกําลังนั้นออกคราวนี้พุ่งเลยขาดทะลุปไปเลยเหมือนไม่ใช่ปัญญา ที่เคยพิจารณาเลยนะเราก็มาปัญญาใหม่มาจากไหนก็ไม่รู้ความจริงกับปัญญานั่นแหละมีดเล่มเก่านั่นแหละคนคนเก่านี้แหละงานชิ้นเก่านั่นแหละเนี่ยมันเพลินความเพลินเนี่ยบังคับนะยังมาเห็นคุณค่านี้มากยิงกว่าปัญญามันก็ไม่เห็นนะมันก็รู้อยู่นี่แหละแต่มันความเพลินนั้นมีกำลังมากกว่ามันก็หมุนมันอีกมันจะตายแล้วมันจะขึ้นมาอีกนะ มันไม่มีความพอดีแม้กระทังง่งมันผ่านแะล้วมันไปได้ถึงได้รู้ด้วยฉันเรื่องสมาธินี้มีความจำเป็นอย่างนี้เอ๋อย่างนี้งมีย้อนหลังขึ้นมารู้ทิ่เข้าใจไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาสอนหมุ่มเพื่อนก็เอาบทเรียนของตัวเองนั่นแนหะผิดถูกเจ้าของมาผ่านมาแล้วเนีย่ยว่าสมาธิสําคัญนะเวลาที่สงบต้องสงบเวลาออกพิจารณาเอายามห่วงกับสมาธิฟาดลงไปเวลา เหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านปัญญาที่ทํางานแล้วเอาให้ถอยเข้ามาสู่สมาธิอย่ายุ่งทางปัญญาที่นนี่ว่าเขาสมาธิให้เข้าจริงๆเอาจริงๆริอย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่ามีอารมณ์เป็นสองเขามีแต่จะพกักท่าเดียเอาพักอืไม่กังห่วงใญ่กับอะไรเวลาจะเสียไปก็าตามทีม่สาคัญเช่นเดียวกับคาว่าพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารเนะ ส ม, สมบัติจะเสียไปเส้นข่าวน้ําโภชนาอาหารเงินทองจะเสียไปประตามเวลาเวลาจะเสียไปปรตามมันก็มนหนุนกําลังให้ร่างการมีกําลังบังชาไปทํางานได้อีกนั่นแหละอืม응สิ่งที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลังอันนี้เวลาที่เสียไปก็มานุนเปกําลังสมาธิหรือปัญญานี่เองอ้าจะกล้าพูดยังทำไมสมาธิเลยนี่หวา่า เวลที่เป็นิีพังคนทํางานมันยังพักจิตทํางานทำไมไม่พักได้หรอปัญญาความคิดปรุงในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาคิดเหลือไม่เรียกทำงานี่เรียกว่าอะไรมันมันคิดมันพิจารณาป็นนานๆมันก็เ ห, หนื่อยเมื่อยแล้วมนกันนี่มันต้องขอพักสิไม่พักไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของวาละใดแล้วให้เป็นนั้นจริงจงนะอย่าไปท้าเข้ากัน เวลาพักเอาพักไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญามีแต่ เ, เรื่องสมาธิเป็นใหญ่โตที่สุดเวลานั้นเอาฟ้าลงไปให้พักก็ อ, ออกพ็ออกจากสมาธิแล้วเอาฟ้าลงไปปัญญาสมาธิตอนนี้ไม่เกี่ยวข้อง ก, กันไม่จําเป็นนอ น, น, นแล้วจะนอนตั้งกับตังการเหลือกิน ก, ก็กินมาแล้วกินในพุงแตกเลยก็วางนันถ้าเทียบปูมาจะทํางานที่นี่เอาทําลงไปไม่ต้องห่วงการพักนั่นพอดีและวนี่คือปฏิปทาที่เหมาะในการมุมเพลิน ในเลืาานี้มันหนึ่งผ่าก็ผ่ามาพอผิดก็ผิดมาพอ ม, มันความผ่าพ้นผอแม่ครูอาจารย์ว่าขนาดนั้นมันก็ยังไม่ฟังดูซิมันดื้อ น, นะแล้วมันถูกท่านทั้งหมดที่ท่านว่าท่านหลงทั้งขาท่านว่าสําหรับนิสัยของผมตห่หากนะความจริงท่านว่าก็อย่ามันเกินประมาณควมหมายว่าอย่างนั้น เวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาเวลาพักต้องพักสมาธิทีความหมายว่างนี่กลัวจะไม่ถึงใจคนนิสัยนี้จึงต้องบอกนั่นนามันงงสังขารมันว่างนี่นนนเลยเพราะปัญญาก็เป็นสังขารไงแต่เป็นสังขารทางฝ่ายมากนะไม่ใช่สังขารฝ่ายสมุทัยทั้งออเดดเดตเลยผมเลยเพราะทั้งรุ่น์นิสัยขอยงผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้เจ้าอย่างอื่นมันไม่เหมาะเอาพังหมดตั้งรวงตั้งลังตั้งไข่ตั้งแม่เลยฮึฮนฮดด้วยต้นว่าผม เรื่องติดสมาธิเป็นไรเห้เนืแแ้อเขาเลยอืมสมาธิทั้งแท่งนั่นสุกในสมาธิมันเหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นรู้ไหมรู้ไหมนั่นฟังดิสุกในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันนั่นเองมันจะมีสุก ข, ขนาดไหนท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นนั่นน่ะดูดิความจริงก็คือหมายความว่าการติดในสมาธินั่นเป็นมันเป็นสมทนุทัยเท่านั้นะ ท่านไม่ว่างั้นสิกับคนประเภทนี้ท่านต้องบอกสมาธิทั้งแท้มันตัวสมุนทั้งแท้ท่านรู้ไหมท่านรู้ไห ม, ไมเพื่อจะให้เราถอนออกจากสมาธิไปพิจารณาปัญญาท่านจะฉลาดขนาดไหนเขาไม่พิจารเราพิาจารณาย้อนหลังโอ้โหท่านทรมานคนนี้เหมาะกับตรีทิศายุจริงๆนะถ้าเป็นคนอื่นๆท่านก็จะไม่มาอย่างแบบเรานี้ถ้าเป็นแบบเราท่านก็จะไม่ว่าแบบอื่นจะว่าแบบนี้อย่างที่ว่ามาแล้วนั้น ทิ้งหมดทั้งสมาธิเลยไม่ให้มีเหลือเลยทาไมทั้งๆเป็นตัวสมุนตราทั้งๆท่ันรู้ไหมถ้าพอนั้นงูหอนยังขึ้นธอรมาสมาธิทั้งๆเป็นตัวสมุนตราั้งสมารสมาธิจะเดินที่ไหนนะวะเหนือมันขงง่ายหไดเลองูหอบถูกคัตหัวเรามันยังโผล่ขึ้นมามันขำดีเลยสวรกันที่สูดาดําตารดำ พ่อเรามันก็รู้ของเราแง่หนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปเถียงไปทิีฐินะคือเราก็มีข้อยืนยั น, อ น, นของเราหนึ่งแต่ของเราก็เท่าเท่านี้ของตัานมันไปเรื่อยๆมันก็แหลกไปบ อ, อ ก, บรรกว่าออกกันนั่นบรญดาท่านกว่านั้นมันลงทางขานันตอนนี้ก็ตอบเพรว่าท่านไม่พิจาราก็ไม่รู้อยู่เลยนั่นแล้วบ้านทางขานันบ้านหลงทางขานทุนหนักก็อีกที่นี่เหมาะเลยนิ่งอย่าง น, นี้ต้องถูกของตั้นหละตอนนี้หูหอมไม่ขึ้นนะตอนนี้นะ ไปนาก็าเปยังอย่างท่านว่ า, าจริงเนี่ยถึงเรื่องปัญญาถึงขนาดนั้นนะนติดติดจริงจริงผมติดมาแล้วเนี่ยถึงขั้นปัญญามัก็เลยเปิดเปิง เ, เนี่ยองอุทาจจะนั่นที่มีมันก็รับกันปุ๊บทำมาอุทาจจะคือความเทินในความเพียนยจนเกินไปลืมาพาะป่อนอันเป็นความพอดี พักผ่อนในทางสมาธินะ่ะเขาพักสมาธนะิมันไม่พอดีมีแต่เทินกับความเปลี่ยนไปแค่ที่แต่ลมจะตายมันกแปลว่าเทินไปนั่นอุทจากไม่ใช่อุทจากักภูริจักอันแบบนิวรณ์ห้ที่มีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะมันอุทจักในหมายถึงต้งโยนบนบนคือความเทินในความเปลี่ยนจิตมันพุ่งพุ่งพุ่งต่อความเปลี่ยนต่อกิเลสพลาดคันขับกิเลส แต่ไม่ทราบว่าเอาสันคมลึกลงหรืคมลงหรูอเอาข้างลงหรือลุ้นะถ้าไม่ได้พักจิตมันต้องพันกันอยู่งั้นแหละเลยไม่ทราบว่าทาังสันทังคมลงทงังข้างทั้งอะไรลงด้ามลงรืลุ้นท่านจึงต้องให้พักเมื่อพักแล้วมันได้มีกำลังบางชามีท่าคิดทาอ่านแล้วมันเอาคมลงใส่พ่วงเอวขาดเนี่ยสมาธิจึงเป็นเครื่องมองือสำคัญมาก อุทาจฉาก็ยอมรับนั่นทีอ๋าาออุาจฉามีความหมายอย่างนี้เนี่ยมานะก็ถือจิตถือผู้รู้นั่นเองที่เต็มบริอวิชามันจะอะไรเนี่ยมันรู้ไม่ต้องมีใครบอกก็มันอยู่ตร น, นั้นหมดเช่นนั้นมานะเก้ามา น, านะเก้านี่ถือก็คือขั้นนี้เองือเป็นมานะเก้าที่ไหนมานะเก้าตรงนี้ คือมันมากจะเปรียบจะเทียบคือมันมีอันนี้เด่นความรู้นี้มันเด่นมันก็อยากจะเทียบจะเทียมดี่มันก็เป็นเขียวเป็นเขาขึ้นมาตรงนี้เมาณอ๋อยู่ตรงนี้มันผ่านแล้วถึงรู้นะเวลามันเป็นมันก็เป็นมันจะเทียบจะเทียงนั้นเราเราแต่เรามารู้โทรมานมารู้อันนี้มันเป็นมาณเก้านะแต่เวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมารู้ยอนหลังรู้โอ้อนั่นเป็นอย่างนั้นอานั้นเป็นนั้นเป็นอย่างอุทัจจามีความหมายอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมาณ มั น, น่าคือถือจิตอวิชชาคือไม่รู้อันนี้แหละ่นนี้เนาะมารุ้นทีนี้มั น, ม า, ม, นมาเข้าใจมดเฉียม น, น่าอวิชชาลูกพระรู ป, ร, ร, ป ร, ราคาูรป ร, ราคะมานะาอาหอวิชชารูป ร, ราคากระหมายมึั้งปนั่นแหะพิจารณารูปภายในเต็นอมณ์ึ่งเราอยากรูปประชานรูปประชานกระห ม, มา่อยินดีในเวทนา สุขเวทนามีอยู่ภาระจิตนั่นอุปราคะดุปราคะคําว่าราคาราคานีมม่มันไม่หมายเหมือนราคาที่เป็นไปในโลกทั้งหลายนะแต่คือเหมือนกับว่ากินอย่างนี้แหละกินของหยาบๆก็มีกินของละเอียดก็มีอืมอาหารประเภทหยาบก็มีอาหารประเภทละเอียดก็มีอันนี้คําว่าราคาดุปราคาดุปราคามานะอุปจารย์อุจารยนี่มันก็เหมือนกันคือคําว่าราคา มันพอใจกับนั่นพอใจกับนี่พอใจกับทำขั้นนี้พอใจกับทำขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ไม่ได้เป็นราคาตันหาเหมือนอย่างโลกทั่วไปนะจะมาแปลแบบเย่ยวกันไม่ได้ผิดกันคนโลกอย่างอุทจาร์อันนี้กับกุทจาร์กูจา ร, ธธ ร, ธธรในนิวันห้ามันเป็นคนละโลกอุทจาร์กูจจารทั้งวรันห้าและนิวันห้ามันเป็นงินธรรมดาของคนทั่วไปเป็นนิวรันห้าทางเครื่องกัน อุาจาัจรนี่มันเป็นสังโยชน์เบื้องบนหมายั้งว่าความคล่องอันละเอียดไปออกมาแล้วเชสิ่งที่ทวพันธ์จิตใจอย่างละเอียดหรือเป็นกิเลสฝ่ายละเอียดอุปราคาอุปราคาอานะอุชจารวิชาพอถึงขัน้นวิชชาก็หมดปัญหาเมื่อวิชาพัทางทลายไปจักใจแล้ว ความยึดใจถือใจถืออะไรน่ความเป็นรุ่มดอนเป็นปเรื่องยุ่เยืกันนะ่ะความยึดความถือเป็นเรื่องยุ่เยื้องนั่นรุมร่มรุ่มบ น, นดอนนะปล่อยนั่นวางนี่ยิมนั่นเอา น, นี่ธรรมชาติที่คงเส้นคงวางแล้วปล่อยอะไรวางอะไรไม่รู้สึกว่าได้ยึดอะไรไม่รู้สึกว่าได้ปล่อยวางอะไรนั่นไม่มีความรู้สึกภายในจิตใจว่าตนจิตของเรามันไปแยบไปทางปล่อยวางอันไหนหรือไปยึดอันไหน เป็นก็รู้ได้เองแต่ไม่เป็นก็จำมาุ่นทุกเฉียงน้ำลายไหลจนไม่มีเหลืออยู่ในท้องมันก็มันเหลือมันไปเจอซะเองนะมันก็บอกปัญหาไปทุกอย่างในภาคปฏิบัติมัน ม, นมีนั่นนะกับประยแต่ที่แย่าแกไว้ มันมีขัดแย้งกันอยู่เปน็นตอนเหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจะลึกเป็นคนประเภทใดบ้างมันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจะลึกมานี่จะเป็นคนประเภทใดถ้าประเภทผู้สิ้นกิเลสแล้วอันนี้สัาพัญมากจะถึงใจถึงใจถึงใจเดิมแห ล, ละถ้าคนธรรมดาไปพูด แต่นําเรื่องนั้นออกมามันผิดกันนะเอาสมมุติว่าพระละหาันแต่งเรื่องของพระละหันองค์นั้นองนั้นนะท่านจะไม่มีผิดพลาดเลยยิ่งไปทำมันละเอียดเท่าไรยิ่งจะกรมกื น, ปนไปละเอียกว่าให้ปุถุชนไ ป, ไปเขียนประวัติของท่านพระละหันองค์นั้นดูซิเออ ม, มันจะในเรื่องอะไรมันก็เหมือนกับจดจารึกได้กัมภีรมาเนี่ยที่เราอ่านกันไปทึ่งไปนี้มันจะถึงใจที่ตรงไหนเพราะว่าเป็นการ กลางๆไปอย่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆมันไม่มีปากไม่มีศักดิลงไปงนี้บ้างข <c oughs> องเรายืว่ า, วามาหน้ า, าเอ้าถังยศบนบนห้านี่นะหรือถังยดบงต่าห้ า, ากากริทธิวิจชาชืฐฐ่อพระตับปรามาอรูปปราม า, าค้คาคปฎิฆากรมราคาปฎิฆาเราก็จำได้จีระค้าไปหมายไป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 ผู้เข้าสนามลบนั่นแหละเป็นผู้ที่พูดได้ช่ำชองมากที่สุดในเรื่องสนามลบในประสบะการณ์กับอะไรไต่ออะไรนี่นี่คือผู้ปฏิบัตินั่นเองเมื่อเทียบกันแล้วทางด้านธรรมะสกอาธิิเป็นยังไงพระโสดาภนณสออกอ า, าธิปิเลยสามคือสกาาธิปิการิยสัพพรมาสเนี่ยพวกเราก็งองเงากันได้ชื่อเฉยๆตัวจริงไมไ่ได้แต่ชื่อ แต่งเงาตัวตัวจริง <ทำ S 1> ไม่ได้ อ, อันนี้ผู้ที่เข้าไปผ่านอนั้นเลยที่ผู้ปฏิบัติมันผู้จะผ่านผู้จะสัมผ ah. ัสเพราะนั้นผู้จะรู้มันก็เด่นเด่นเด่นขึ้นในจิตแล้วจจนกรทั่งถึงสังญาณเบื้องบนอาว่าสนั้นมันถึงใจถึงใจถ้าผู้ปฏิบัติมันเข้าถึงใจม <lay led> ันแน่ไปเลยสงสัยที่ไหนไม่มีเมื่อจบแปดหมื่นธรรมขันก็เธอจบความจริง ที่ง่ายสัจจะทำนี่ก็พอแล้วแหละถ้าสัจจะทำมีอยู่เต็มหัวใจขังไอ้สัจจังใจไม่ทุกอะไรทุกทุกเพราะอะไรสมุทัยไอยสัจจังพายทุกเนี่ยมาร์กัยไอ้จังเครื่องแก้คืออะไรคือสติปัญญาเนี่ยเอาย่อยนะแก้อะไรแก้กิเลสกิเลสดับลงไปแล้วนี่โลดไม่ต้องบอกแง่ความดับทุกข์ทุกข์ดับด้วยออะไรกิเลส ดวยสมุนไพดับด้วยมากแล้วก็ทุ้งก็ดับทั้งนี้นหนีโรดแล้วมันเป็นยังไง่านเข้าไปตรงนั้นก็รู้เองเข้าเข้าไปแนวรบมันเลยมันรู้นี่แหละจะจะทําทั้งสี่นี่คืนสนามรบแหละฟาดลงไปตรงนี้มันรู้ตรงนี้เอไม่ต้องจบแปดหมื่นสิพันไรทำอัคารแหละเพียงเท่านี้ก็หายสงสัยพออยู่พอกินส <c oughs> ว่างั่นว่างพออยู่พอกินแล้วก็ไม่หิวไม่ห่วยนี่ มันถึงนั่นเต็มที่สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้งสี่แล้วหิวโหยที่ไหนไม่มีใครว่านิพานเที่ยงนี้เป็นยังไงเลยจะปีปากจับนะล่ามั่วอยู่ว่าพระเจ้าจะดูขุดพอพวกไอีรีพ้ามันม้มากกว่าแต่เตียๆยงอยู่ว่าจัๆว่าไอ้รี นักปวร์คนแมวยิ่งมึงก็เห็นจะดีมากแต่มึงาถามกูอย่างกูยเฉยเลยใส่มาบอกมึงตังมึงที่เสือกบ่มาจะก็ได้พูดสนุกสนุกว่าเอาพูดเด็กกูแง่เนี้เอาตลกก็ได้ดีป่ะบางอันเวลาพูดโคตมังจะติดเมอย่าง๋ชอบคนนะเท็จธรรมป่านี่แตกดีมากนี่เราไม่ได้เล่นด้วยเฉยนะโอ้ตอาลงไปเล่นด้วยแล้วติดจริงจริงนี่ไม่ว่าเท็มาแก้ปัญหาแล้วพูดอะไร ชาอาป้าเป่าจะจะมางับโอ้ยเทินมันได้ไล่ไปมันที่ก็ตลกบ้งตลกในวงธรรมะกันและไม่ตลกนอกขอบเขียนภาพไปเอาใกล้ๆกนละ้พลิก ใ, ใกล้ก ป, ปุ๊บปั๊บ๊ป๊เอาใกล้ใ้ตียื้ยใกล้สวนมาใกล้ เพรามีการถามปัญหานะมันจึงเสี่ยวมันหากันเป็น ๆ, ๆเลยวัาเลาะกันลั่นตอบปัญหาเราอย่างว่าไม่สนใจกับใคร ย, ยิ่งกว่าความอยู่สบายสบายไปพอถึงวันมันเป็นก็ว่าตายความสงสารนังนสงสารแต่ม่สุขามาพเมื่อเราไปนี้นี่ลองดูที่นี่ปกรุงเทพ ไม่ไปแล้วกี่ปีมาแล้วลองไปดิผมว่าอย่างมากไม่เลยสามวันหามก็้โรงพยาบาลก็เราช่วยตัวเองไม่ได้นะเขาจะเอาไปไหนหามขึ้นเขียงในก็เขาเอาไปละสิพอหามจากโรงพยาบาลมาแล้วก็หามเข้าเมนเรารู้ได้จากชัดๆภายในใจของเราเพา้นเราจะไม่ไปนี่เราทราบใครจะมาทราบยิ่งกว่าเราทราบเราอะมันจะทานคืนของมนุษย์ได้มากขนาดั้น ใาห้มาเราก็ต้องพูดกับเราเราต้องพูดกับเขามากกี่ร้อยกี่พันคนก็มาหาเราเพื่อให้เราพูดแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ําือมันกระหลงกันหน่อยเลยนี่พา น, นถึงไม่ตายเข้ามาตามเมืองเขก็ามาเองเขก็มา้ามาเราไปนี่มันตายนะเราอยู่นี่ไม่ค่ตาย แต่มันมากแล้วเราก็พักกันเชนอย่างตอนปีใหม่นี้คนมามาผมก็ไม่ได้เข้าไปอบรมภายในคัวนะเพรมันมือกาลังเขาก็รู้ของเราอีกเราก็ไม่ไปเสียนเขากม็มายุ่งเราถ้ายุงเท่มัไม่ได้นะนะเออจะอยู่ได้ยังไงคนนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นม า, นนมานแน่นตลอดเวลานคนมาคนนั่งพูดได้เหร อ, อ น, นี้เราไม่ไปแล้วเขาก็อยู่ตามที่พของเขาอืมเรามี ที่พ่อปลอดของเราได้สะดวกสบายเวยลาเราอยู่กับที่อย่างนี้ถ้าเราไปงั้นไม่มีนะความังเป็นบังคับบังคับเอาจนตายได้ท่านบรร ญ, ญาจะมีอะไรจะพูด